ลู้ดำเลิลดำชนัยว่าดงสวรรค์วิพากวิมานนาลาครูดนาเทวายักษมอินพรหมสถานวันวายรัศมีแห่งธรรม ประมาณอันแสงสว่างจากดวงของสุริยนันร้อยพันดวงนั้นจะมีไหนเปรียบปานเหล่าเทพทั้งหลายทุกอบทุกูุิจึงสาทุการอนุโมโทนาคุณท่านอัศจร์นเนือยิ่งสิ่งใดด้วยบารมีและบุญบรรดาลโดนให้ เจ้าทั้งหลายจึงพร้อมใจมากราบูชาเพท่านได้ทำอานสูงล้ำแน่นอนก็นึกถึงครั้งก่อนย้อนไปหลายพบผ่านมา ตั้งปราถนาะพุทธภูมิกันมาสมัยก่อนนนตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเข้มข้นกูบารมีเวียนวนห่วงใยเคยแวะผ่านมาแต่มาเพียงวินยาไม่มีรูปร่างหน้าตาในมาปรากฏอย่างไดเหมือนภพทั่วไปดังเคยเห็น แ่เพียงรำอึงแล้วราตรีนั้น เป็นพบย่อยไม่ใหญ่อันละเอียดจึงมองไม่เห็นที่มารอคอยในพพนี้เพราะความจำเป็นด้วยห่วงใยมีเว้นมีว่างไม่จ้างหายจากไปไหนค่ำคืนที่ท่านบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ทั้งโลกกระทาษวันไหวก็รับรู้ได้ตลอดมา แั่ช่างกะไรนั้นแทนที่ใจจะเบิกจะบานจะเรื่องสราญระเรื่อชื่นบานเกิดความหันศาน้นงจิตโมทนาเหมือนดังเคยมาแต่ก่อนนั้นกลับวิปริตคิดลานว่าท่าน สรงสมบุญมาดังปองทัานสกาวเหมือนดาวเดือนผ่องกลองแววทั่วจักรวาลที่ทนมองมองก็คือตัวของวิญญาณจมติดโลกทง วิญญาณนั้นมาบอกกับท่านว่าที่มารออยู่ในพบนี้เพราะความเป็นห่วงท่านมากยังไม่ได้ตั้งใจไปเกิดในพบภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้งสิ้นวิญญาณนั้นได้มาตัดพ้อกับท่านอย่างเอาจริงเอาจังว่าท่านหลบเลีกปลีกตัวไปคนเดียวไม่เหลียวมองมาสงสารเมตตากับผู้ที่เคยตะเกียกตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์มาด้วยกัน ไม่อนุเคราะห์ส่งเสริมให้พอมีทางผ่านพ้นทุก์ไปได้ทั้งๆ ท, ที่เคยบำเพ็ญธรรมมาด้วยกันท่านปลอบโยนดวงวิญญาณว่าการรับทานอาหารแม้จะร่วมวงในโต๊ะเดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อนอิ่มหลังมิใช่หรือการบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญมาด้วยกันแต่ก็ใช่จะบรรลุได้พร้อมกันไม่และในขณะ น, นี้ก็กําลังช่วยชุดช่วยลากช่วยดึงลัดเลาะ ช่วยอนุเคราะห์อย่างเต็มกำลังด้วยดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงสารยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรแม้ดวงวิญญาณจะมาอุบัติในภพชาติที่ละเอียดลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่ยังได้รับฟังสิ่งดีสิ่งชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟังโดยไม่เสียการไปเปล่านับว่าเป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสมอบรมมา ท่านเทพอบรมสั่งสอนปลอบโยนด้วยความสงสารเมตตาต่อดวงวิญญาณ น, นั้นอย่างยืดยาวทั้งเหตุและผลคละคล้ากันไปไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งบาทบริจาริกาคู่บา ร, รมีกลับใจได้สติที่มาทําให้ท่านได้รับความลําบากลาบนในความมืดมนด้วยเหตุแห่งความรักความอร่อยนั้นก่อนจากไปดวงวิญ ญ, ญาณได้กราบและขอพรท่านว่าเมื่อได้ไปเกิดในภพที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ได้มารับฟังโอวาทตามความปรารถนาที่เคยทำมาท่านก็อนุญาตต่อมาอีกไม่นานนักดวงวิญญาณ น, นั้นก็มาเยี่ยมท่านอีกโดยครั้งนี้มาในร่างที่สวยงามแห่งเทวดาและได้กราบเรียนถวายท่านว่าพอได้รับคำชี้แจงจากท่านจนหายสงสัยไร้ทุกข์แล้วก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงค์พิพมีความสุขสนุกสนาน ด้วยเครื่องบำรุงบำเรอต่างๆที่ล้วนแล้วแต่สำเร็จไปจากการบำเพนญเมื่ออยู่กับท่านในเมืองมนุษย์ทั้งนั้นนึกถึงพระคุณท่านแล้วทำให้ซึงใจสุดที่จะกราบเรียนได้ถูกแม้เคยผิดพลาดล่วงเกินใดๆที่ผ่านมาขอท่านเมตตาโอโหสิกรรมอย่าได้มีบาปกรรมสืบก่อต่อเนื่องอีกต่อไปเจ้าค่ะท่านได้โอโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนา และได้แสดงธรรมอบรมสั่งสอนส่งเสริมบา ร, รมีให้เป็นที่รื่นเริงจนควรแก่การแล้วเทวดานมัส ก, การลากระทำประทักษิณสามรอบลีกออกห่างจากท่านพอประมาณแล้วก็เหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัศสศรัทธาเป็นล้นพล